คนในสมัยปัจจุบันมีอยู่ไม่น้อยเหมือนกันที่อยากจะเชื่อว่านารกสวรรค์มีจริงชาติหน้ามีจริงเพราะประโยชน์ของความเชื่อในเรื่องนี้เห็นได้ง่ายแต่แล้วเมื่อมาศึกษาจากหนังสือหรือฟังคำบอกเล่าของคนที่เชื่อในเรื่องเหล่านี้กลับทำให้เชื่อไม่ลงเพราะมันเหมือนกับเมื่อเรามองดูข้าวในจานแล้วรู้สึกอยากรับประทานแต่เมื่อมองดูให้ละเอียดแล้วปรากฏว่า ในข้าวมีกรวดทรายมีของสกปรกอื่นๆปะปนอยู่มากเลยทำให้หมดความอยากการสอนเรื่องนรกสวรรค์การสอนให้เชื่อเรื่องชาติหน้าถ้าหากไม่มีเรื่องงมงายคือเรื่องที่พิจารณาแล้วหาเหตุผลไม่ได้หรือเรื่องที่เกินความจริงคนทั้งหลายก็คงจะเชื่อเรื่องนี้อย่างสนิทใจกันมานานแล้วไม่ต้องมาเสียเวลาถกเถียงโต้แย้งกัน แต่เพราะเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมามีเรื่องที่เหลือเชื่อปะปนอยู่มากมายจนกระทั่งทำให้มองไม่เห็นข้อเท็จจริงที่สามารถจะพิสูจน์ได้เรื่องโอปปปาติกะก็เหมือนกันคนส่วนมากเชื่อไม่ลงก็เพราะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องเทวดามีเรื่องที่เหลือเชื่อเรื่องที่ไม่อาจจะเข้าใจเหตุผลได้ปะปนอยู่มาก สำนักทรงทั้งหลายเกือบจะทุกแห่งมีข้อเท็จจริงพอที่จะเชื่อถือได้แต่เพราะเหตุที่คนส่วนมากหลงไหลชอบเชื่อแต่ในเรื่องปาฏิหารเพราะฉะนั้นเกือบจะทุกแห่งจึงต้องมีเรื่องเหล่านี้มาเป็นส่วนประกอบเพราะถ้าไม่มีก็เกรงว่าคนทั้งหลายจะไม่เชื่อคนที่รู้ดีที่สุดว่าเรื่องที่แสดงออกมานั้นจริงหรือไม่จริงก็คือตัวคนทรงเองหรือผู้ที่ใกล้ชิดอยู่เสมอ ด้วยความจำเป็นดังที่กล่าวมาจึงทำให้ต้องเอาเรื่องปาฏิหาริย์เรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในการรักษาโรคบ้างในเรื่องเครื่องรางของคลังบ้างออกมาโฆษณาเพื่อให้คนมาสำนักมากๆแล้วก็มีอยู่หลายสานักทําด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่คิดจะหลอกลวงแต่เพราะมีความจำเป็นในด้านที่ต้องใช้เงินเป็นจานวนมากเพื่อการก่อสร้างและเพื่อความเจริญของสานัก จึงจำเป็นต้องทำบางสิ่งบางอย่างออกมาจำหน่ายเพื่อให้มีรายได้โดยไม่ได้เฉลียวใจว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านี้แหละคือเครื่องกีิดขวางมิให้คนเข้าถึงสาระประโยชน์อันแท้จริงของการติดต่อทางวิญญาณกล่าวคือข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งว่าโอปปาติกะมีจริงซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากมายในด้านทาให้คนเข้าถึงธรรม โดยเฉพาะก็คือการรู้แจ้งอริยสัจเพราะการยอมรับความจริงในเรื่องนี้จะทำให้เกิดความแน่ใจว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณของตนซึ่งในเมื่อรู้เช่นนี้แล้วก็จะรู้จักแก้ไขปัญหาต่างๆด้วยตัวเองแทนที่จะมัวมาหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องนั้นเรื่องนี้ ข้าพเจ้าได้ตระหนักถึงเรื่องนี้มานานแล้วจึงได้พยายามกันเอาสิ่งที่มักจะทำให้คนงมงายนี้ออกไปซึ่งถึงแม้เรื่องนี้จะมีความจริงอยู่บ้างแต่ในเมื่อมันเป็นเหตุทําให้คนเกิดความลังเลสงสัยเชื่อไม่ค่อยสนิทหรือบางคนที่เคยเห็นของจริงก็เชื่ออย่างหัวปักหัวปัม๊มออกนอกลู่นอกทางไปเช่นนี้จึงนับว่ามีอันตรายมากข้าพเจ้ากล้ารับรองได้ว่า ถ้าหากคนทั้งหลายที่สนใจในเรื่องวิญญาณหรือเรื่องโอปปปาติกะถ้ายังมัวติดอยู่ในเรื่องปาฏิหาร์ต่างๆแล้วจะไม่สามารถกำจัดความสงสัยในเรื่องนี้ให้หมดไปได้มีแต่จะสร้างปัญหาให้เกิดความลังเลสงสัยต่างๆไปอีกไม่มีสิ้นสุดเหมือนกับคนตาบอดซึ่งตนเองไม่เคยเห็นโลกภายนอกเลยตั้งแต่เกิดแต่ก็เป็นคนชอบซักถ า, ถามถึงเรื่องราวต่างๆที่ตนเองไม่อาจจะพิสูจน์ได้ ใครบอกอะไรให้ก็เชื่อและจําเอาไว้แล้วก็คิดสร้างปัญหาจากเรื่องที่ตนเองจําได้ออกไปเรื่อยๆถ้าลองคิดดูปัญหามันจะเกิดขึ้นแก่เขามากมายสักเพียงไรข้าพเจ้าได้พูดมาบ่อยครั้งที่สุดจนผู้ฟังอาจจะรำคาญแล้วก็ได้ คือข้าพเจ้าขอร้องให้เชื่อและสนใจเรื่องนี้ให้อยู่ในวงแคบๆ ค, คือให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถจะเข้าใจได้อย่างแจม่มแจ้งด้วยปัญญาของตนเองและต้องแจม่มแจ้งในเรื่องขั้นพื้นฐานเสก่อนส่วนเรื่องที่เป็นความแปลกประหลาดไม่น่าจะเป็นไปได้เรื่องในทํานองเนี้ยเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วต้องทําใจเฉยๆอย่าปฏิเสธว่าไม่จริง แต่ก็อย่ายอมรับเอาเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าเป็นเรื่องจริงเพราะถึงอย่างไรเสียเมื่อเราไม่มีเครื่องมือที่จะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองถ้าขืนไปรับหรือปฏิเสธอย่างแข็งขันเข้าก็มีแต่จะสร้างความสับสนโอลมานให้เกิดขึ้นในจิตใจของตัวอนหนึ่งเมื่อพูดถึงความสนใจของคนทั้งหลายเกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะ เราก็อาจจะแบ่งได้เป็นสองพวกง่ายๆคือพวกหนึ่งเป็นพวกเชื่อง่ายมักจะเชื่อไปเสี้ยทุกอย่างตามที่เขาบอกพวกเนี้ยเป็นพวกงมงายและอีกพวกหนึ่งเป็นพวกที่ปฏิเสธไม่ยอมรับความจริงในเรื่องนี้เลยถ้ามีใครมาถามเรื่องนี้ก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่เรื่องในพระพุทธศาสนาบ้างไม่เกี่ยวกับความพ้นทุกข์บ้าง เป็นเรื่องเพอ้อฝันคิดเอาเองบ้างอะไรทํานองนี้ทั้งสองพวกเนี้ได้ชื่อว่าเป็นพวกสุดตรงไม่ใช่พวกเดินทางสายกลางข้าพเจ้าเคยแสดงหลักฐานไว้อย่างมากมายว่าเรื่องโอปปปาติกะเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และตรัส ด, ด้วยว่าผู้ที่ไม่เชื่อว่าโอปปปาติกะมีจริง มิชฉาทิธิพุทธพจน์ ท, ที่มีน้ำหนักมากที่สุดในเรื่องนี้ก็คือพระดำรัตทิตรัสว่าถ้าหากพระองค์ไม่ได้ทรงรู้เห็นเรื่องโอปปาติกะทั้งหลายด้วยญาณทัศนะคือทิพยจักสุโดยตลอดแล้วพระองค์จะไม่ทรงปฏิญญาเลยว่าพระองค์ได้บรรลุอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ แต่เพราะเหตุที่พระองค์ได้ทรงรอบรู้เกี่ยวกับเรื่องโอปปาติกะเป็นอย่างดีทุกชั้นทุกประเภทเพราะฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงปฏิญญาณว่าพระองค์ได้บรรลุอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณข้อความที่ว่านี้มีอยู่ในคำพีพระไตรปิฎกเล่มที่23หน้า311ผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียด ขอให้อ่านจากหนังสือเรื่องผีและเทวดามีจริงเพราะในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมหลักฐานจากพระไตรปิฎกไว้อย่างละเอียดเพราะฉะนั้นคนที่กล้าปฏิเสธเรื่องนี้จึงนับว่าตนเองได้สร้างความหลงผิดให้แก่คนทั้งหลายเป็นอันมากเป็นผู้บิดเบือนพุทธพจน์เพราะเหตุที่ตนเองเข้าไม่ถึงเรื่องนี้ ส่วนพวกที่งมงายเพราะเชื่อง่ายนั้นก็มีอันตรายอยู่ตรงที่ทําให้ตัวเองหลงอยู่ในความงมงายออกนอกลู่นอกทางจนกระทั่งไม่อาจจะเข้าถึงสาระประโยชน์อันแท้จริงของเรื่องนี้คำพูดที่เทพเจ้าองค์หนึ่งได้กล่าวไว้ในตอนต้นนั้น ขอให้ผู้ฟังพยายามฟังอย่างพิจารณาหลายๆเที่ยวจนกว่าจะรู้สึกว่าจำได้ขึ้นใจแล้วท่านจะได้ข้อคิดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างมากสำหรับส่วนตัวข้าพเจ้าถือว่าถ้อยคำเหล่านี้เป็นข้อพิสูจน์ที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ที่แสดงให้เราทราบว่าโอปปปาติกะมีจริงและทาให้เราต้องสานึกอยู่เสมอว่า จิตใจหรือวิญญาณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เราควรจะรักษาไว้ให้ดีอย่าให้มีความทุกข์มีความชั่วเกิดขึ้นเพราะความทุกข์ยากลำบากต่างๆภายพิบัติต่างๆสายเหตุใหญ่มันอยู่ที่ใจของเราเองโลกนี้จะลุกร้อนเป็นไฟเพราะการเบียดเบียนกันการประหัตประหารกันการหลอกลวงกันหรือเพราะอะไรก็ตาม เราจะไม่เดือดร้อนเหมือนคนทั้งหลายถ้าหากเรายอมรับว่าตัวเราเป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณจากวิบากของเราเองความจริงเหล่านี้ข้าพเจ้าได้พยายามทุ่มเททุกอย่างเพื่อที่จะให้คนทั้งหลายเข้าถึงเพราะการรู้แจ้งอริยศาสตร์นั้นจะต้องเริ่มต้นด้วยการรู้แจ้งด้วยตัวเองว่าชีวิตเกิดขึ้นจากความต้องการของเรา ตัวเราที่แท้จริงก็คือตัวตนที่เป็นวิบากตัวตนอันนี้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิเ์เหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงเพราะฉะนั้นถ้าหากในการกระทาทุกอย่างเรามีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วยคุณธรรมต่างๆแล้วเราจะไม่ประสบกับความผิดหวังเลยไม่ว่าตลอดชีวิตของเราจะพบกับความผิดหวังนับครั้งไม่ถ้วนก็ตาม เพราะผู้ที่คิดจะสร้างจิตใจให้สูงนั้นความผิดหวังก็คือบันไดที่จะช่วยให้ตัวเราก้าวขึ้นไปได้โดยลำดับนั่นเองถ้าหาทุกครั้งที่ผิดหวังไม่หมดกาลังใจสามารถทำใจให้สบายได้และคนที่จะทำได้ก็คือคนที่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่าความต้องการที่เป็นตันหากับที่ไม่เป็นตันหามีลักษณะต่างกันอย่างไรและเห็นแจ้งแล้วว่า ตัณหาคือต้นเหตุแห่งความทุกข์การดับตัณหาเสด็ได้คือผลความทุกข์ผู้ที่รู้แจ้งเช่นนี้แล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ไปวันหนึ่งหนึ่งก็เพื่อต้องการจะแก้ไขตัณหาของตัวเองให้ดีขึ้นและการแก้ไขตัณหานั้นก็ไม่มีทางอื่นที่จะทําได้นอกจากจะต้องพยายามฝึกหัดให้มีคุณธรรมมากขึ้น และทั้งหมดนี้จะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้ยอมรับด้วยความเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่าโอปปาติกะมีจริงเพราะความเข้าใจในเรื่องนี้เท่านั้นที่จะช่วยทำให้เราค่อยๆปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ก่อให้เกิดความทุกข์โดยไม่มีความกดดันเกิดขึ้นในภายในทั้งนี้ก็เพราะมองเห็นแล้วว่าทุกอย่างเกิดจากใจ และการสร้างความดีให้แก่จิตใจนั้นไม่เคยมีคำว่าผิดหวังหรือล้มเหลวเพราะทุกครั้งที่เราทำจะต้องได้เสมอไม่มากก็น้อยและจะค่อยๆมองเห็นแจ่มแจ้งขึ้นโดยลำดับว่าในเมื่อฐานะของจิตใจค่อยๆสูงขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นวัตถุก็จะค่อยๆสมบูรณ์ขึ้นซึ่งตัวอย่างในเรื่องนี้จะเห็นได้ชัดที่สุด ในโลกของโอปปปาติกะนี่แหละคือสัจธรรมหรือสาระประโยชน์อันแท้จริงของการศึกษาค้นคว้าในเรื่องโอปปปาติกะแต่อย่างไรก็ดีถ้าคนทั้งหลายเชื่อแต่เพียงว่าผีมีเทวดามีแต่ก็ไม่รู้อะไรมากไปกว่านี้ ความเชื่อแบบนี้ไม่มีประโยชน์อะไรต่อเมื่อเราได้ศึกษาจนกระทั่งเข้าใจว่าชีวิตของโอปปาติกะเกิดขึ้นได้อย่างไรโลกของโอปปาติกะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์เพราะผู้ที่ยอมรับว่าทุกคนเมื่อตายจะต้องมีกายทิพย์เกิดขึ้น ซึ่งเป็นกายที่เกิดจากวิญญาณเกิดจากวิบากมีอวัยวะครบถ้วนมีอินทรีย์สมบูรณ์นั้นย่อมจะมีความแน่ใจว่าตัวเราคือร่างกายก็เป็นผลที่เกิดมาจากวิญญาณเกิดมาจากวิบากเหมือนกันความเชื่อในลักษณะ น, นี้เท่านั้นที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง